วันนี้เป็นวันพระรหัสที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2563เป็นวันหยุดพิเศษทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันหยุดเพื่อชดเชยวันหยุดต่างๆที่ไม่ได้หยุดก็เลยเป็นวันที่ญาติโยม ได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้มีโอกาสที่จะมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อที่จะได้รักษาหรือส่งเสริม ความสุขความเจริญของจิตใจให้มีเพิ่มมากขึ้นด้วยการมาฟังเทศฟังธรรมด้วยการมาทำบุญทาทานด้วยการรักษาศีลที่เป็นเหตุที่จะทำให้มีความสุขความเจริญทางด้านจิตใจ ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับโดยเฉพาะบุญที่ได้จากการฟังเทศฟังธรรมเป็นบุญที่สำคัญอย่างยิ่งต่อจิตใจของพวกเราทุกคนเพราะการที่จะทำให้เรานั้นมีความสุขมีความเจริญ างจิตใจได้เราต้องรู้วิธีสร้างความสุขความเจริญและการที่จะรู้วิธีก็ต้องได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ได้ทรงตัดรู้วิธีที่จะสร้างความสุขสร้างความเจริญ ให้แก่จิตใจของพวกเราให้ได้พัฒนาให้สู่ขั้นสูงสุดของความสุขของความเจริญพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสร้ทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ แห่งการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏในตายพบถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงต่อสรุป <Yeah. S 1> พวกเรานี้จะไม่รู้จากวิธีที่จะทำให้ใจของพวกเรานี้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เลย yeah. ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้และมาเผยแผ่พระธรรมคำสอนอันประเสริฐความรู้อันประเสริฐที่ได้ทรงตัดสั้โดยทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงพวกเราถึงจะมีโอกาสได้หลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้ มาสอนพระธรรมที่ได้ทรงตัดสรู้พวกเราก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้ไปอยู่เรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นการที่เราได้มาเกิดได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ตาม แต่เราก็จะได้พบกับตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือคือพระธรรมคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกและพบกับพระอริยสงสารของพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้า จนสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้แล้วพระธรรมคาสอนและพระอริยสง์สาวโกนี้จะเป็นผู้ทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้จากพวกเราไปแล้วดังนั้นถึงแม้ ว, ว่าพระพุทธเจ้าจะได้จากพวกเราไปแล้วก็เหมือนกับไม่ได้จากไปเพราะ สิ่งสำคัญที่พระพุทธเจ้ามอบไว้ให้กับพระธรรมกับพระอริยสงสาวอนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าจะมอบให้กับเราท่านจะมอบให้กับเราโดยตรงก็ได้หรือจะมอบผ่านตัวแทนก็ได้คือวิมุตติธรรมหรือพระนิพพานเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้า ได้มอบไว้ให้กับพวกเราทุกคนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้วิมุตติธรรมมาตรัสรู้พระนิพพานเราก็จะไม่มีวันที่จะได้หลุดพ้นไม่มีวันที่จะได้วิมุตติธรรมไม่มีวันที่จะได้พระนิพพานมาเป็นสมบัติของพวกเราแตอนนี้พวกเราทุกคน สามารถรับมอบลุยมุติธรรมและพระนิพพานได้จากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือจากพระอริยสงสาวกยังถือว่าเป็นโชคอย่างมหาศาลเพราะว่านานๆานจะได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สักครั้งหนึ่ง เพราะนานๆจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาอยู่ในโลกนี้สักครั้งหนึ่งคำว่า น, านานนี้ก็คือหลายแสนล้านปีด้วยกันถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุพระธรรมเ่มมาเผยแผ่พระธรรมและมาสร้างพระอริยสง์สาวกให้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า ถ้าใครได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นจึงถือว่าเป็นผู้ที่ได้พบสิ่งที่หาได้ยากมากยากยิ่งกว่าหาเพชรนินจินดาเราคงจะรู้ว่าการหาเพชรนินจินดา น, นี่ยากเย็นขนาดไหนกว่าจะได้มาซักเม็ดหนึ่งนี่ไม่ใช่เป็นของง่ายหรือการได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็เป็นของยากอย่างยิ่ง แต่ก็ไม่ยากเท่ากับการได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ดังนั้นเมื่อเราได้มีโอกาสได้มาพบแล้วเราก็ควรที่จะรี บ, ร, บ ร, รับผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติ ตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าไปคิดว่าชาตินี้เรายัางไม่พร้อมที่จะมารับอของขวัญอันประเสริฐจากพระพุทธเจ้าเราขอรอไปคราวหน้ารอไปพบกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปคือพระศรีอาน กว่าจะมีพระสีลานมาตัดสรุนี้ก็อีกไม่รู้กี่แสนล้านปีด้วยกันและช่วงนั้นเราก็จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอีกไม่รู้กี่กี่แสนล้านครั้งด้วยกันถึงจะได้มีโอกาสได้มาพบกับพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ครั้งหนึ่งและอาจจะไม่ได้พบก็ได้เพราะจังหวะของการมาเกิดเป็นมนุษย์ กับการตัดสัรุของพระพุทธเจ้านั้นอาจจะไม่ตรงกันก็ได้ถ้าไม่ตรงกันก็จะไม่ได้รับประโยชน์ดังนั้นขอให้เราถือว่าภพนี้ชาตินี้ของพวกเรานี้เป็นภพอันประเสริฐอย่างยิ่งเป็นภพที่ยากที่จะได้พบอย่างนี้ คือได้มาพบกับพระพุท ธ, ทธศาสนาได้พบกับพระพุทธพรธรรมพระสงฆ์ดังนั้นอย่าปล่อยให้โอกาสอันดีงามนี้ได้หลุดมือไปเรานี้สามารถได้พระนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วกันทุกคนมีโอกาส โอกาสนี้อยู่แค่เอื้อมือนี้ท่านเองเพียงแต่เอื้อมือเข้าไปออกไปก็จะสามารถที่จะได้รับแล้วคือการศึกษาและการปฏิบัตินั่นเองถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อให้เรามีความเพียรพยายามศึกษาปฏิบัติธรรมมากน้อยเพียงไยก็ตามเราจะไม่สามารถที่จะ เข้าถึงพระนิพพานได้ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวรยียนว่ายตายเกิดได้เพราะความรู้ความสามารถ <c oughs> ของพวกเหล่านี้ไม่อยู่ในระดับที่จะทําให้เราหลุดพ้นได้ด้วยตนเองเราต้องมีพระพุทธเจ้าหรือมีพระอริยสงสาวกมาเป็นผู้นําพาเราไปเป็นผู้สั่งผู้สอน เราถึงจะสามารถที่จะเข้าถึงพันธิพาณได้มันรลุถึงวิมุตติธรรมคือการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ <Yeah. S 1> ดังนั้น <Yeah. S 1> เราอย่าปล่อยให้โอกาสอันดีงามนี้ <c oughs> มันหลุดมือไปด้วยการให้เราเระลึกถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตของพวกเราว่า ชีวิตของพวกเรานี้ไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไหรเวลาใดเพราะคนที่เกิดมานี้สิ้นชีวิตได้ทุกทุกระยะเวลาของชีวิตบางคนเกิดมาเพียงวันเดียวก็ตายก็มีมนนเกิดมาเจ็ดวันตายก็มีเกิดมาเดือนหนึ่งตายก็มีเกิดมาปีหนึ่งตายก็มี สิบปีก็มีห้าสิบปีก็มีร้อยปีก็มีแต่ไม่มีใครรู้ว่าวันตายนี้จะมาเมื่อไหร่อย่างนั้นจึงต้องถือว่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นวันนี้ก็ได้เพื่อที่จะทำให้เราจะได้ไม่ประมาทนอนใจเพราะถ้าเราคิดว่าเราอาจจะตายวันนี้หรือพรุ่งนี้ แล้วพอถ้าเราตายแล้วเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงพระนิพพานได้เข้าถึงวิมุตติธรรมคือการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ mm hmm. เราต้องคิดอย่างนี้คิดอยู่บ่อยๆ mm hmm. หรือให้เราเลิกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆ เ, mm hmm. เหมือนกับเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ ที่พอไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็ทำให้ท่านเกิดความกระตือรือร้นขึ้นม า, ท, าทันทีเกิดความกระตือรือร้นที่อยากจะแสวงหาทางออกจากการเกิดแก่เจ็บตายนี้เองเพราะทรงเห็นว่าความแก่ความเจ็บความตายนี้มันไม่เป็นสุขเลยมันเป็นไปด้วยความทุกข์จึงไม่มีใครอยากจะแก่กัน ไม่มีใครอยากจะเจ็บใข้ได้ป่วยกันไม่มีใครอยากจะตายกันแต่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายได้ถา้าถ้ามีการเกิดแล้วย่อมมีการแก่การเจ็บการตายตามมาอย่างแน่นอนจับช้าหรือเร็วเท่านั้นเองบางคนก็แก่เร็วเจ็บเร็วตายเร็ว บางคนก็แก่ช้าเจ็บช้าตายช้าแต่ไม่ชไม่ว่าจะช้าหรือจะเร็วจะต้องเกิดขึ้นแลวเมื่อถึงเวลานั้นแล้วก็จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติทําได้จะศึกษาทําได้ยังไม่ควรที่จะปล่อยให้เวลาในขณะนี้ผ่านไปถ้าเรายังาสามารถที่จะศึกษา ปฏิบัติพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เราควรที่จะรีบตักตัวโอกาสอันนี้ก่อนที่มันจะหมดไปเหมือนโบราณคําพูดที่ท่านพูดไว้ว่าน้ําขึ้นให้รีบตักพอน้ํานี้มันก็จะลดได้น้ําในหน้าฝนน้ําก็จะขึ้นเยอะแต่พอในหน้าแล้งบางทีก็หายไปหมดเลยก็มี ใ น, นช่วงที่มีน้ําถ้าเราต้องใช้น้ําเราก็ต้องรีบตัดเก็บเอาไว้สํารองเอาไว้พอในช่วงที่ไม่มีน้ําเราจะได้ไมีน้ําที่เราเก็บสํารองไว้มาใช้ได้ยันใดชีวิตของพวกเราก็เป็นอย่างนั้นช่วงนี้กําลังเป็นช่วงน้ําขึ้นอยู่ช่วงที่เรายังมีกําลังวังชามีความมีเวลา ที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควรเอาเวลาอันอันมีค่านี้ไปใช้กับเรื่องอื่นเรื่องที่ไม่มีคนมีประโยชน์กับจิตใจแต่เป็นเรื่องที่เป็นโทษกับจิตใจโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเช่<ม>นการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางต า, งางหูจมูกลิ้นกาย อันนี้มันไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจในทางที่จะทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลยไม่สามารถทำให้จิตใจเข้าถึงพระนิพพานได้เลยแต่มันจะเป็นกับดักให้จิตใจในี้ติดอยู่กับวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะถ้าเราแสวงหาลาบยศสารเสริญแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้ว เราก็จะติดมันเหมือนกับติดยาเสพติดเราก็จะต้องเสพมันอยู่เรื่อยๆต้องคอยหาลาบยศสนเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะมาเสพอยู่เรื่อยๆ เ, เสพไปจนวันตายตายไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เพื่อมาเสพใหม่อันนี้แหละเป็นเหตุที่ทำให้พวกเราติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิด คือการไม่รู้จักใช้เวลาให้เกิดคุณประโยชน์ต่อจิตใจต่อการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดต่อการเข้าถึงพระนิพพานเราไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เราไม่รู้เรื่องพระนิพพานไม่รู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเรารู้แต่ว่าเราเกิดมาแล้ว ไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันและก่อนที่เราจะแก่ก่อนที่เราเ จ, จ็บเจ็บก่อนที่เราจะตายเราก็ต้องพยายามหาราบยศสารเสริญสุขกันให้มากๆที่สุดเท่าที่จะหาได้พอเวลาที่เราแก่เวลาที่เราเจ็บเวลาที่เราตายเราจะหาไม่ได้กันนั่นเ่งแต่ สิ่งที่เราหาได้คือลาบยศสารเสริญสุขนี้มันก็เป็นของชั่วคราวเท่านั้นเองได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปหรือถ้าอยู่เวลาตายไปเราก็เอาติดตัวไปไม่ได้มันจึงทำให้เราต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆกลับมาหาลาบยศสรเสริญสุขกันอยู่เรื่อยๆนี่คือเรื่องที่เราจะไม่รู้กัน ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะคํำเครียดกับการหาราบยศสารเสริญสุขกันไปจนวันตายแล้วตายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะกลับมาเกิดกันอีกอันนี้ต้องได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านจะได้บอกให้เรารู้ว่า เรานี้กําลังติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดเพราะวิธีการหาความสุขของเหล่านี้เป็นวิธีของการหาความสุขแบบยาเสพติดนั่นเองพวกที่ติดยาเสพติดนี่เขาจะต้องกลับไปหายาเสพติดมาเสพอยู่เรื่อยๆพอยาเสพติดหมดเขาก็ต้องไปหามาเพิ่มเพราะถ้าเขาขาดยาเมื่อไหร่เขาก็จะทุกข์ทรมาน และอาจจะถึงกับตายได้อันนี้คือชีวิตของพวกเราพวกเรานี้เป็นผู้ติดยาเสพติดยาเสพติดของพวกเราคืออะไรก็คือราบยศสารเสริญสุขนี่ที่พวกเราทุกคนติดกันหากันอยู่อย่างแทบทุกวันทุกวันที่เราเตื่นขึ้นมา ออกไปทำมาหากินก็ไปหาราบยศเสรเสรสุปกันเองไม่ได้ไปหาอะไรก็หาได้มาเท่าไหร่เดี๋ยวไม่ช้าก็หมดไม่ช้าก็เร็วก็หมดหรือไม่หมดเวลาตายไปเราก็ต้องทิ้งมันไว้หมดเราก็เอาติดตัวไปไม่ได้เมื่อเราติดตัวไปไม่ได้เราก็เลยต้องกลับมาหาใหม่กลับมาเกิดใหม่เพื่อที่เราจะได้เสบน ลาบยศสรรเสริญสุขกันใหม่นี่แหละคือการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราพวกเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายพวกเราเป็นจิตใจที่มาติดอยู่กับร่างกายมาได้ร่างกายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเป็นคนรับใช้ท่านมีคําพูดว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ใจคือเราเนี่ยเราคือใจเราคือผู้คิดผู้รู้ผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเราจึงเป็นเจ้านายส่วนร่างกายนี้คอยรับคำสั่งจากใจเช่นวันนี้ใจสั่งให้ร่างกายพามาวัดเนี่ยใจเป็นคนสั่งแล้วร่างกายก็เป็นคนรับคำสั่งใจกับร่างกายนี้ จึงไม่ได้เป็นคนคนเดียวกันเป็นคนสองคนที่มาติดกันเหมือนแฝดสยามไปไหนไปด้วยกันแต่ต้องรอให้ใจเป็นผู้สั่งแล้วก็จะแยกออกจากกันเมื่อเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปพอ ร, ร่างกายนี้ตายไปใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะใจนี้ไม่มีวันตาย ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บใจเป็นธรรมชาติที่ต่างจากร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่คือใจที่มาติดกับร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายให้ไปหาลาบยศเสริญสุขกันแล้วพอร่างกายตายไปใจก็ไปหาร่างกายนันใหม่ เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่มหาลาบยศสรเสริญสุขใหม่นีหละคือการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่เวียนว่ายตายเกิด น, นี่คือใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้พอตายเขาก็เอาไปเผากลายเป็นขี้เถ้าขี้ฐานไปหรือเอาไปฝังในดินก็กลายเป็นดินไปกลายเป็นปุ๋ยไป นี่คือเรื่องของพวกเราที่พวกเราไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มีโอกาสได้มาศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะใช้ชีวิตอยู่กับการหาราบยศสรรเสริญสุขไปจนวันตายแล้วหลังจากที่ตายไปก็จะกลับมาเกิดใหม่เพื่อที่จะได้มาหาราบยศสรรเสริญสุขกันใหม่ต่อไป เราทำอย่างนี้มาเป็นเวลาอันยาวนานแล้วนับจำนวนภพชาติไม่ได้จำนวนภพชาติของพวกเหล่านี้มากจนไม่สามารถนับเป็นตัวเลขได้แต่สามารถประมาณได้ว่ามีมากน้อยเพียงไร<ม>ก็คือให้เราเอาน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาติไม่มีใครปฏิเสธว่าเมื่อเกิดมาแล้วไม่ได้ร้องไห้กัน เพราะโลกนี้เป็นโลกของความทุกข์เรามักจะเจอความทุกข์จากเรื่องราวต่างๆกันแล้วเวลาเราทุกข์เราก็หลั่งน้ําตากันพระพุทธเจ้าบอกว่าน้ําตาที่เราหลั่งแต่ละพบแต่ละชาตินี้ถ้าเราเอามารวมกันนี้มันมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรคิดดูก็แล้วกันว่าเราจะต้องมาเกิดกี่พบกี่ชาติกัน ถึงจะหลังน้ำตาได้มากกว่าน้าในมหาสมุทรนั่นแหละคือปริมาณของการเวียนว่ายตายเกิดปริมาณของความทุกข์ของพวกเราที่พวกเราต้องเจอกันมาได้ยังไม่สิ้นสุดลงยังจะเจอไปเรื่อยๆ อ, อย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่มาพบกับพระพุทธศาสนา แล้วถ้าเราพบกับพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่น้อมเราเอาคำสอนมาปฏิบัติเราก็ยังจะไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนา mm hmm. การที่ได้มาเกิดได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้เป็นชาวพุทธนี้ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าเราจะได้พระนิพพานกันไม่ได้เป็นการรับประกันว่าเราจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกัน mm hmm. เป็นเพียงแต่ มีเปิดว่าให้พวกเรามีโอกาสได้เข้าถึงพระนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันได้แต่ต้องศึกษาและต้องปฏิบัติเนี่นแลหละที่มาของว่าทําไมพวกเราชาวพุทธจึงต้องมาฟังเทศฟังธรรมกันเพราะการฟังเทศฟังธรรมก็คือการศึกษานี่เองศึกษาวิธีที่จะทําให้เราเข้าถึงพระนิพพานได้ หลุพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ <Yeah. S 1> ดังนั้นสิ่งแรกที่ชาวพุทธเราต้องทํากันก็คือมันศึกษามันฟังเทศฟังธ ร, รรมอยู่เรื่อยเ <Yeah. S 1> พราะพุทธเจ้าจึงต้องบัญญัติหรือกาหนดวันฟังธรรมขึ้นมา <Yeah. S 1> วันธรรมธรรมะธรรมเทศนาวันฟังธรรมน ขึ้นมาก็คือวันพระเองเพื่อให้ชาวพุทธเราได้หยุดการทำงานทำการแล้วก็ไปวัดกันไปศึกษาพระธรรมคำสอนกันเพราะในสมัยโบราณสมัยพระพุทธกาลนี้การจะฟังธรรมได้นี้ต้องไปฟังจากพระอริยสงฆ์ที่อยู่ในวัดกันก็ต้อง มีวันเวลาว่างจากภารกิจการทำงานต่างๆถ้าไปทำงานก็จะไปวัดไม่ได้นั่นเองก็เลยต้องมีวันพระขึ้นมาวันฟังธรรมขึ้นมาวันธรรมัชสวรนณะคือวันฟังธรรมเพื่อพวกเราจะได้มาเรียนรู้วิธีที่จะเข้าถึงพระนิพพาน เพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราจะไม่รู้ว่าการจะเข้าถึงพระนิพพานได้นี้เข้าไปได้อย่างไรการจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้จะหลุดพน้นได้อย่างไรนี่เราจะไม่รู้เมื่อเราไม่รู้เราก็จะไม่สามารถที่จะทําตัวเราให้ได้เข้าถึงพระนิพพาน ให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เหมือนกับที่เราต้องไปเรียนหนังสือตามโรงเรียนต่างๆเพื่อเราจะได้มีวิชาความรู้ที่เราจะได้เอามาเป็นเครื่องมือท ร, รมาหากินบางคนก็ไปเรียนเรื่องรักษาพยาบาลเป็นแพทย์เป็นพยาบาลพอเรียนจบก็สามารถเอาความรู้ที่เรียนนี้มา ใช้ประโยชน์ได้เอามารักษ า, าคนไข้ได้รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้แต่คนที่ไม่ได้ไปเรียนแพทย์ไม่ได้ไปเรียนพยาบาลนี้จะไปรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยนี้รักษาไม่ได้ <Okay. S 1> เพราะไม่รู้วิธีจะรักษาว่าจะรักษาอย่างไร <Okay. S 1> เวลาคนนี้ปวดท้องขึ้นมาต้องหาเอายาช้ดินไหนให้คนนี้กิน เวลาคนนี้ปวดศีรษะขึ้นมาจยาเอาอยาชี้นไหนมาให้กินคนที่ไม่ได้ศึกษาจะไม่รู้วิธีรักษาจะรักษาไม่ได้ฉันใดคนที่ไม่ได้ศึกษาวิธีเข้าถึงพระนิพพานวิธีบรรลุ ถ, ถึงวิมุตติธรรมนี้ก็จะไม่รู้ว่าวิธีที่จะทำให้เข้าถึงพระนิพพานนี้เข้าได้อย่างไร ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไร <Yeah. S 1> จึงจําเป็นต้องศึกษากัน <Yeah. S 1> แล้วพอศึกษาแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติ <Yeah. S 1> เอาไปพิสูจน์ <Yeah. S 1> ดูว่า <Yeah. S 1> วิธีนี้ถูกต้องไหม <Yeah. S 1> วิธีดับความทุกข์วิธีเข้าถึงนิพพานนี้ถูกต้องไหม <Yeah. S 1> พอไปปฏิบัติแล้วก็จะได้รู้ว่าออกถูกต้อง <Yeah. S 1> วิธีนี้พาให้เรา ทำให้เราไม่ต้องมีความทุกข์อีกต่อไปทําให้เรามีแต่ความสุขตลอดเวลานี่คือสิ่งที่พวกเราชาวพุทธควรจะถือเป็นภารกิจที่สําคัญยิ่งกว่าภารกิจอย่างอื่นยกเว้นภารกิจเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพวเราทุกคนต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันก่อนต้องให้ร่างกายมีชีวิตอยู่ได้ มีกำลังวังชาที่จะมาศึกษามาปฏิบัติพระธรรมคำสอนต่อไปแต่ไม่ควรที่จะให้ความสำคัญต่อภารกิจอย่างองื่นเช่นการหาลาบยศสรรเสริญสุขอันนี้ไม่จําเป็นไม่ต้องรวยก็ได้ไม่ต้องเป็นใหญ่เป็นโตก็ได้ไม่ต้องมีคนมายกย่องสรรเสริญเยินยอก็ได้ ไม่ต้องมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็ได้สิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นต่อชีวิตของพวกเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เราก็อยู่ได้ร่างกายของเราก็อยู่ได้ถ้าร่างกายของเรามีปัจจัยสี่คือมีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรค เท่านี้ก็พอแล้วสำหรับชีวิตของพวกเราถ้าเราอยากจะไปพระนิพพานกันอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันเราทำเพียงเท่านี้ก็พอหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายเหมือนกับพระสองฆ์องค์เจ้าเนี่ยนพระสองฆ์องค์เจ้านี้ท่านไม่ไปหาลาบยศรเสรสุขท่านหาเพียงปัจจัยสี่ และตัดใจสี่ของท่านก็แบบสัมมามมักน้อยสันโดษหาแบบง่ายที่สุดไม่วุ่นวายไม่ต้องเสียเวลามากพออยู่พอกินไปได้ก็พอเช่นอาหารก็บิทฑบาตได้อะไรมาก็รับประทานไปแล้วก็ไม่รับประทานมากจนเกินไปรับประทานพอให้อยู่ได้ก็พอเช่นวันละมื้อก็พอสำหรับการ สำหรับอาหารที่จะใช้เลี้ยงดูร่างกายไม่ต้องการเสียเวลามากเกินไปเพราะต้องการเอาเวลามาศึกษามาปฏิบัติธรรมที่เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าการเลี้ยงดูปากท้องแต่ก็จำเป็นจะต้องเลี้ยงดูปากท้องก่อนเพราะถ้าร่างกายไม่มีกำลังวังชาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถ้าร่างกายตายไป ก็จะไม่สามารถที่จะไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมได้แต่ก็ให้ทำเท่าที่จะเป็นเท่านั้นทำเทำ่าทำไม่ให้มากเกินไปไม่ให้ไม่ให้เสียเวลามากเกินไปไม่เหมือนกับคารว่าทุกองเลือ น, นี้จะเสียเวลามากกับการรับประทานอาหารกันวันหนึ่งก็สามมื้อหรือสี่มื้อเข้าไปแล้วแล้วแต่ละมื้อนี่ก็ใช้เวลามากในการ เตรียมอาหารแล้วหลังจากรับประทานอาหารเสร็จก็ต้องมาคอยล้างถ้วยล้างชามอะไรต่างๆก็เวลาจะหมดไปมากกับการเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็เรื่องที่อยู่อาศัยก็ดีเครื่องนุ่งห่มก็ดีบางทีก็หามากจนเกินไปหาแบบฟุ่มเฟือยหาแบบไม่จําเป็นหากัน ก็เลยทำให้ไม่มีเวลาที่จะไปศึกษาไปปฏิบัติทําได้เพราะเมื่อต้องใช้ของแบบพุง่งเฟือยก็ต้องหาเวลาไปหาเงินหาทองมาอีกก็เลยยิ่งทำให้เวลาที่จะมาศึกษามาปฏิบัติธรรมนี้มีน้อยมากสำหรับผู้คองเือนสำหรับคารวะผู้คองเือนฉะนั้นผู้ที่ต้องการที่จะศึกษาและปฏิบัติอย่างเต็มที่นี้ จึงมักจะต้องไปเป็นนักบวชกันไปบวชกันไปอยู่แบบนักบวชจะได้มีเวลาที่จะได้มาศึกษามาปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่ <Yeah. S 1> เพราะว่าไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีอะไรจะสำคัญเท่ากับการเข้าถึงพระนิพพาน เพราะพระนิพพานนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดความสุขที่ไม่มีวันจากเราไปแต่ความสุขที่เราได้จากราบยศเสริสุขนี้จากรูปเสียงกินน่นรสนี่เป็นความสุขแบบชั่วคราวเราจะไม่สามารถเอาติดไปกับตัวเราได้คือใจของเรา ใจไม่สามารถเอาความสุขทางลาบยศสรรเสริญไปกับใจได้แต่ใจสามารถเอาความสุขจากพระนิพพานไปได้ดังนั้นคนฉลาดจึงไม่หาลาบยศสรรเสริญสุขกันมุ่งไปหาความสุขของพระนิพพานกันมุ่งไปหาวิมุตติธรรมคือการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกัน เพาต้องหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดถึงจะเข้าถึงพันธิพานได้ถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ยังเข้าถึงพันธิพานไม่ได้เพราะอาการเวียนว่ายตายเกิดนี้มันยังมีความทุกข์อยู่นั่นเองถึงแม้ว่าจะไปเกิดในสวรรค์ชั้นสูงสุดก็ตามสวรรค์ชั้นพรหมก็ยังเป็นสวรรค์ที่เป็นสวรรค์ชั่วคราวอยู่ไม่ได้เป็นความสุขแบบถาวร ไปเกิดเป็นพรหมเดี๋ยวบุญที่ส่งให้ไปเกิดเป็นพรหมหมดกําลังลงก็ต้องกลับมาเสื่อมลงมาเป็นเทพแล้วก็จากเทพก็จะเสื่อมลงมาเป็นมนุษย์ใหม่ต้องมากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่แล้วก็มาสร้างบุญใหม่ที่จะได้ส่งให้ขึ้นไปสู่สวรรค์ที่ชั้นสูงสุดได้ใหม่ ก็ยังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังไปถึงพระนิพพานไม่ได้ต้องหยุดหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก่อนถึงจะเข้าถึงพระนิพพานได้และการที่จะเข้าถึงพระนิพพานการที่จะหลุดพ้นจากกอ <บ plastic. S 1> งทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติธรรมและการจะปฏิบัติธรรมได้อย่างถูก ต, ต้องก<ม>็ต้องศึกษาธรรมก่อน ฟังเทศฟังธรรมก่อนฟังว่าเราจะต้องทำอะไรกันเราถึงจะสามารถที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เข้าถึงพระนิพพานได้แต่วันนี้เราก็ได้เรียนรู้แล้วว่าสิ่งแรกที่เราต้องทำกันก็คือต้องฟังธรรมต้องศึกษาศึกษาว่าเราจะต้องทำอะไรกันอย่างไร จึงจะทําให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดและเข้าถึงพระนิพพานได้<ม>ถึงที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงสอนให้พวกเราเข้าถึงพระนิพพานให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้<ม>ก็มีสามขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนขั้นที่หนึ่งก็สอนให้เราละการกระทําบาปทั้งปวง ขั้นที่สองให้เราสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมขั้นที่สามให้เราชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชําระความโลภความโกรธความหลง ค, ความอยากต่างๆเพราะเป็นผู้ที่คอยดึงให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันนั่นเองไม่ใช่อะไรหรอกที่จะทําให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ ก็คือความโลภความอยากนี่เองความโลภความอยากนี้ท่านก็แบ่งไว้เป็นสามสามชนิดด้วยกันความอยากหาความสุขจากการมคุณทั้งห้าเรียกว่าการมาตัญหาคืออยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองพวกเราทุกคนเขาไม่ปฏิเสธเรื่องการความอยากอันนี้เดี๋ยวก็อยากจะดูไอ้นั่นเดี๋ยวก็อยากจะฟังไอ้นี่ เดี๋วก็อยากจะดื่มอยากจะรับประทานอะไรต่างๆอันนี้แหละเรียกว่ากามตัญหาความอยากที่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพราชนิดต่างๆความอยากอันนี้แหละมันเป็นที่ทําให้เราต้องมาเสพยาเสพติดกันมาเสพรูปเสียงกลิ่นรสกันเสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ พอตายไปก็กลับมาเสดใหม่กลับมาเกิดใหม่เพื่อจะได้มาเสพใหม่นี่แหละคือตัวที่ดึงให้พวกเราต้องกลับมาเวนว่ายตายเกิดกันมาเกิดในภพของมนุษย์ภพของเทวดาที่เรียกว่ากามาภพก็คือความอยากนี่เองกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาแล้วถ้าเราไปทําบาปแทนที่เราไม่ ถ้าเราไม่ได้ละเว้นจากการกระทําบาปเราเราไปทําบาปในขณะที่เราไปหาราบยศสารเสริญสุกันมันก็จะเป็นตัวที่พาให้เรามาเกิดในอบายกันมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานกันมาเกิดเป็นเปรตเป็นอสูรกายหรือไปเกิดในนรกกันอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการกระทาบาปการ เสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆด้วยโดวยวิธีทำบาปเช่นไปฆ่าผู้อื่นเพื่อเอาทรัพย์ของเขามาใช้อย่างนี้หรือว่าไปลักทรัพย์ของผู้อื่นหรือไปผิดผิดสามีผิดภรรยาของผู้อื่นเพื่อที่จะได้เสพการการทําเหล่านี้เป็นเหตุที่จะดึงให้ใจนี้กลับมาเกิดนาบายกัน เกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายหรือเกิดในนรกกันถ้าละการกระทำบาปทั้งปวงได้ไม่ทําบาปเลยก็จะเสพกรรมโดยไม่ทําบาปคือจะเสพกรรมโดยไม่ทําผิดศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เดิมสลายยาเมา ภพาเสพการแบบนี้ก็จะปลอดภัยจากการที่จะต้องไปเกิดในอบายก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ตายไปแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ทันทีเพราะไม่ต้องไปเกิดในอบายเพราะไม่ได้ทำบาปแล้วถ้าอยากจะไปเกิดเป็นเทวดาซึ่งเป็นภพที่มีความสุขมากกว่าภพของมนุษย์ ก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายต่างๆใหถึงพร้อมข้อหนึ่งก็ละการกระทำบาปทั้งปวงเพื่อป้องกันการไปเกิดนัยบายแล้วถ้าอยากจะไปเกิดสูงกว่ามนุษย์ก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศลกันทำบุญชนิดต่างๆแล้วแต่บุญชนิดไหนก็ได้เรามีโอกาสมีเหตุให้เราทำบุญแบบไหนเราก็ทาไป เช่นวันเกิดเราอยากจะทำบุญใส่บาตรก็ได้ไปปล่อยนอกปล่อยปลาก็ได้หรือไปเลี้ยงคนแก่คนชราก็ได้อันนี้ก็เรียกว่าวิธีการทำบุญต่างๆสร้างบุญสร้างกุศลชนิดต่างๆให้ถึงพร้อมตามความเหมาะสมตามความพอใจของเราเราชอบทำบุญแบบไหนทำได้ทั้งนั้น ผลคือความสุขใจอิ่มใจนี่เหมือนกันทําบุญกับวัดก็มีความสุขใจอิ่มใจทําบุญกับคนแก่คนชราเช่นบิดามารดาก็ได้ความสุขใจอิ่มใจเหมือนกันทําสุขความสุขกับคนพิการก็ได้ความสุขใจเหมือนกันทําบุญกับสัตว์เดรัจฉานเช่นปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้ความสุขใจ ไปถ่ายโคถ่ายวัวถ่ายชีวิตโคชีวิตวัวก็ได้ความสุขเหมือนกันอันนี้เป็นบุญเหมือนกันทั้งนั้นผลคือความสุขใจนี้เหมือนกันดังั้นเราสามารถเลือกได้แต่ถ้าเราเป็นชาวพุทธนี้ยังไงยังไงเราก็ต้องมาทำบุญที่วัดก่อนเพราะวัดเป็นที่เหมือนที่พึ่งของเราที่เราจะต้อง คอยสนับสนุนไม่ให้เสื่อมสลายไปเพราะถ้าวัดเสื่อมสลายไปเราก็จะไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ไปศึกษาไม่มีที่ไปปฏิบัติธรรมนั่นเองแต่ถ้าวัดนี้จเจริญรุ่งเรืองคือมีมีความสมบูรณ์ในทุกด้านอยู่แล้วเราจะแบ่งไปทําบุญที่อื่นก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องทํากับวัดเสมอไป นอกจากในเหตุการณ์ที่วัดเกิดอาการขาดแคลนขึ้นมาเราก็ต้องมาดูแลวัดก่อนเพราะวัดนี้เป็นเหมือนโรงเรียนของพวกเราเป็นที่เราจะต้องมาศึกษามาปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีวัดเราจะไม่มีที่ไปศึกษาไปที่ไปปฏิบัติธรรมเราก็จะไม่มีธรรมเป็นแสงสว่างนำทางให้เราได้ไปสู่พนันธิพานกันได้นั่นเองดงั mm ้น hmm. การทำบุญทาทานนี้เราก็สามารถเลือกได้เลือกได้แบบความพอใจพอใจแบบไหนก็ทำแบบนั้นแล้วก็เลือกด้วยด้วยเหตุด้วยผลคือต้องทำเพราะว่าเป็นสิ่งจาเป็นจะต้องทำเช่น mm hmm. ทำบุญกับพ่อแม่นี่ก็จำเป็นต้องทำเพราะพ่ อ, พอแม่มีพระคุณกับเรามากท่านเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กท่านให้ชีวิตเรามา ด น, นเวลาที่ท่านแก่ชราท่านดูแลตัวท่านเองไม่ได้เราก็ต้องดูแลท่านต้องต้องดูแลพ่อแม่ก่อนแม้แต่แม้แต่วัดก็อาจจะปล่อยให้คนอื่นดูแลวัดไปก่อนถ้าเราอยู่ในช่วงที่ยังต้องดูแลพ่อแม่ยังไม่สามารถไปทำบุญที่วัดได้ก็ทาบุญกับพ่อกับแม่ไปก่อนอันนี้เรียกว่าทำบุญด้วยเหตุด้วยผล แล้วถ้าทําบุญด้วยความพอใจเราก็เลือกทำเอาบางคนพอใจกับการปล่อยนื้ปล่อยปลาก็ไปปล่อยนื้ปล่อยปลาบางคนพอใจกับการไปทําบุญกับโรงพยาบาลก็ไปทําบุญกับโรงพยาบาลได้บางคนก็ชอบไปทําบุญกับโรงเรียนอันนี้เรียกว่าทําบุญตามความพอใจผลคือบุญนี้เหมือนกัน ตามจำนวนเงินที่เราเสียสละไปเช่นเราเสียเงินไปพันหนึ่งไปทำบุญที่วัดก็ได้บุญเหมือนกับไปทำบุญที่โรงพยาบาลหรือเหมือนกับที่เราไปปล่อยนกปล่อยปลาว่าเร า, เราบุญนวดจากการเสียสละของเรานั่นเองเสียเสียมากเราก็ได้บุญมากได้ความอิ่มใจได้ความสดใจมากเสียน้อยเราก็จะได้ความรู้สึก อิ่มใจน้อยสุขใจน้อย <Yeah. S 1> ลองสังเกตดูญาติโยมบางทีญาติโยมทําบุญพันหนึ่งบางทีทําบุญหมื่นหนึ่ง <Yeah. S 1> สังเกตดูมันมีความรู้สึกต่างกันไหม <Yeah. S 1> ถ้าไม่ต่างกันไปทํามันต่างกันทําไม <Yeah. S 1> ก็ทํามันแค่พันเดียวก็พอถ้าทําบุญพันหนึ่งแล้วได้ความรู้สึกความสุขใจอิ่มใจเท่ากับการทําบุญหมื่นหนึ่งอย่างนั้นก็ทําแค่พันเดียวก็พอ yeah. อันนี้พูดสำหรับตัวเราเองไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับเงินของคนอื่นนะเงินของคนอื่นมื่นหนึ่งกับเงินของเราหมื่นหนึ่งนี้อาจจะได้ความอิ่มใจสุขใจไม่เท่ากันก็ได้เพราะขึ้นอยู่กับว่าเรามีมากมีน้อยถ้าเรามีน้อยเองินหมื่นนี้อาจจะมีมีมากกว่ามีมีความมีน้ำหนักมากกว่าเงินหมื่นของคนที่เขามีเงินมากเงินหมื่นสาหรับคนที่มีเงินแสนนี่ มีน้ำหนักมากกว่าเงินหมื่นสำหรับคนที่มีเงินล้านคนที่มีเงินล้านเสียไปหมื่นเดียวเขาก็รู้สึกเฉยๆแต่คนที่มีเงินแสนนี่เสียไปหมื่นนึงนี่เขาต้อจะรู้สึกว่าเสียมาก <S <S อันนี้จึงไม่ต้องไปกลัวว่าเราทําเงินทําบุญต้อเงินที่เราทํานี้น้อยกว่าอีกคนหนึ่งถึงแม้จะน้อยกว่าแต่น้ําหนักของเงินที่เราทํานี้อาจจะมากกว่าของคนที่ มีท ำ, ทำบุญด้วยเงินที่มากกว่าเราทำก็ได้อย่างที่เปรียบเทียบถ้าคนมีเงินล้านทำแค่หมื่นเดียวกับคนที่มีเงินแสนทำทำแค่หมื่นหนึ่งน้ำหนักนี้จะมากกว่ากันความสุขใจอิ่มใจของคนที่มีเงินแสนแล้วทำเงินด้วยเงินหมื่นจะมีความรู้สึกอิ่มใจมากกว่าคนที่มีเงินล้านแล้วทำเงินทำบุญแค่หมื่นเดียว งั้นคนจนอย่าไปกลัวว่าจะไม่ได้ทำบุญมากเพราะถ้าเราไปมองตัวเลขอย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องมองตัวเลขที่มันที่เรามีอยู่อย่าไปมองตัวเลขอย่างเดียวเพราะตัวเลขของแต่ละคนนี้ถึงแม้จะเหมือนกันแต่ความสำคัญมันไม่เท่ามันไม่เท่ากันน้ําหนักมันไม่เท่ากันงั้นคนจนนี้ถ้าจะว่าถ้าจะทาบุญเนี่ย จะทำบุญได้ได้บุญมากกว่าคนรวยเพราะทำน้อยไม่ต้องใช้มากไม่ต้องใช้เงินมากก็ได้บุญเท่ากับคนรวยนี่ยเช่นสมมติว่าถ้าจะทำเรามีเงินอยู่กองหนึ่งแล้วเราจะแบ่งมาทำบุญสักร้อยละสิบเยเช่นเรามีอยู่พันหนึ่งถ้าร้อยละสิก็ประมาณร้อยบาทอีกคนหนึ่งอยากจะทำบุญร้อยลสิแต่เขามีแสนหนึ่ง เรต้องแบ่งออกมาถึงหนึ่งมื่นบาทเ็าถึงจะได้เหมือนกันคนที่ทำบุญพันบาทากับคนที่ทำบุญมื่นบาทนี้ได้ความรู้สึกอิ่มใจพอใจเท่ากันอย่างนั้นอย่าไปคิดว่าคนจนนี่จะไม่สามารถทำบุญได้มากสามารถทำบุญได้มากบางคนมีเท่าไหร่ก็ทำไปหมดเลยแล้วก็ไปบวชอย่างนี้แสดงว่าเขา เขาทำเต็มร้อยเลยมีร้อยละร้อยทาไปร้อยละร้อยเลยคนที่จะทำร้อยละรอยถ้าเป็นเศรษฐีร้อยล้านก็ต้องสละร้อยล้านไปแล้วถึงไปบวญได้อย่างนั้นเรื่องของบนนุญนี้มันไปวัดไปวัดด้วยตัวเลขไปเปรียบเทียบของคนอื่นไม่ได้แต่เปรียบเทียบกับตัวเราเองได้ ถ้าเราทำร้อยกับทำํำพันนี่ในตัวเราเองนี่ความรู้สึกจะมากน้อยต่างกันก็หวังว่าคงจะเข้าใจนะเรื่องการทำบุญอย่นไม่ต้องไปกังวลถ้าเรายากจนแล้วโยเราทำได้แค่สิบบาทยี่สิบบาทเท่านั้นเห็นคนอื่นก็าทำที่ะหมื่นสองบืนก็อยากจะทำกับเขาเอย่างนะั้นแต่เราไม่มีกําลังจะทำแต่ความจริงสิบบาทยี่สิบาทของเรานี้อาจจะเท่ากับบื่นสองื่นของคน ของคนที่เขาทำหมื่นสองหมืนก็ได้ดงนั้นขอให้เราวัดที่ใจของเราวัดที่ความรู้สึกของใจของเราเพราะการเสียสละของเรานี่เสียสละมากก็จะทําให้เรามีความสุขมากเสียสละน้อยก็จะทําให้เรามีความสุขน้อยอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะสร้างบุญสร้างความสุขให้กับใจเราเพื่อที่เวลาที่ เราจากโลกนี้ไปบุญนี้แหละที่จะที่จะทำให้เราได้ไปสวรรค์กันได้ไปเป็นเทวดากันเทวดาเขาถึงมีชั้นต่างๆมีชั้นหกชั้นด้วยกันเพราะการทำบุญของแต่ละคนนี้ทำมากทำน้อยไม่เท่ากันนั่นเองยังมีสวรรค์ชั้นต่างๆชั้นดาวดึงชั้นดุสิตชั้นอะไรต่างๆนี่ เพราะการทำบุญของแต่ละท่านนี้ทำมากทำน้อยไม่เท่ากันอันนี้ก็เป็นคำสอนข้อที่สองของการที่เราจะออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่ขั้นแรกเราต้องปิดประตูบายก่อนอย่าไปตกไปในบายถ้าอยู่ในบายแล้วจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ยากงั้นอย่าไปอย่าไปเกิดในบาย ด้วยการไม่ทำบาปกันแล้วพอเราไม่ทำบาปได้เราก็จะเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานถ้าเรายังไม่ไปถึงพระนิพพานเราก็ยังจะอยู่ในภพของมนุษย์อยู่แล้วถ้าเราทำบุญเราก็จะเลื่อนขึ้นไปสู่ภพของเทวดาแล้วจากภพของเทวดาก็จะมีภพของพรหมที่สูงกว่าภพบของเทวดาวก็ต้องมา ปฏิบัติข้อที่สามถึงจะขึ้นไปสู่ขั้นของพรหมได้คือต้องมาชำระจิตใจด้วยการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตตะภาวนาคือการบำเพ็ญส ม, มถะภาวนาการฝึกสมาธิทำใจให้สงบทำใจให้เข้าสู่ฌานขั้นต่างๆถ้าได้ฌานแล้วก็จะได้จิตก็จะได้บุญในระดับของพรหม รูปฌานก็ได้รูปภพอารูประฌานก็ได้อารูปภพเป็นที่เป็นที่ไปของจิตต่อไปพอร่างกายตายไปนี้คนที่ได้รูปประฌานก็จะไปเกิดในรูปภพคนที่ได้อรูประฌานก็จะไปเกิดในอรูปภพอันนี้ทําให้ใกล้ไปถึงพระนิพพานแนละเพราะถ้าอยากจะออกจากนิพพานนี้ต้องผ่านขั้นอรูปภพ เรื่องรูปะพบไปถึงจะไปถึงพระนิพพานได้ฉะนั้นผู้ที่จะไปนิพพานผู้ที่จะออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้จึงต้องหลังจากที่รักษาศีลห้าได้แล้วไม่กระทำบาปได้แล้วแล้วก็ทําบุญทําทานตามตามกําลังที่มีอยู่ได้แล้วคือมีเท่าไหร่ก็ทําไปหมด ถ้าอยากจะไปขั้นที่สูงกว่าชั้นชั้นเทพก็ต้องเลิกใช้เงินใช้ทองหาความสุขกันก็เอาเงินไปทาบุญให้หมดเพื่อจะได้ไปอยู่แบบนักบวชจะได้มีเวลามาเจริญสมาธิจเจริญสติกันเพราะการจะเข้าสู่ขั้นรู ป, ประชานและรูปประชานได้นี้จำเป็นต้องมีสติที่ต่อเนื่องที่สม่ำเสมอที่ไม่ขาดตอน เวลานั่งสมาธิจิตจะได้เข้าสู่ความสงบได้เข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้อันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการที่เราจะออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการยกระดับจิตใจของพวกเราให้สูงขึ้นไปจากมนุษย์ก็ให้ไปเป็นเทวดาจากเทวดาให้ก็ไปเป็นพรหมพอเราได้ขั้นพรหมแล้วคือได้ เราสามารถเข้าฌานได้แล้วเข้าฌานได้ชั้นต่างๆแล้วขั้นต่อไปเราก็จะยกระดับจากชั้นฌานนี้ขึ้นไปสู่ชั้นอริยเจ้าได้ไปสู่ชั้นของพระโสดาบันชั้นสกิรดาคามีชั้นอนาคามีชั้นอราหาันได้ต่อไปเนีย่ยมันเป็นขั้นบันไดของการปฏิบัติการไปพันนิพพานนี้ก็เหมือนเหมือนบันไดขึ้นขึ้นตึกสูง อนนี้พาหนี่อยู่อยู่บนชั้นสูงสุดการที่ไปชั้นสูงสุดได้ก็ต้องผ่านชั้นต่างๆไปถ้าให้ถ้าให้ขึ้นบันไดก็สมัยนี้เขาก็มีลิฟต์กันลิฟต์เราก็ต้องกดปุ่มที่สูงสุดชั้นสูงสุดมันก็จะพาให้เราผ่านชั้นต่างๆขึ้นไปนะ นี่คือขั้นตอนของการที่จะดึงจิตใจของเราให้ออกจากภณิพันออกจากการเวียนว่ายตายเกิดออกจากสังสารวัฏเพื่อให้ได้เข้าสู่ภาณิพันธตลองทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าขั้นที่หนึ่งก็ให้ละการกระทําบาปทั้งปวงขั้นที่สองก็ให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมขั้นที่สามก็ให้ไปเจริญสมถะภาวนาไปชาระจิตใจ กรรจัดกิเลสตัณหาโดยสมถะ ภ, ภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าได้สมถะภาวนาก็จะได้สวรรค์ชั้นพรหมได้ขึ้นถึงสวรรค์ชั้นพรหมแล้วถ้าได้วิปัสสนาได้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่เห็นใจรัก <c oughs> ก็จะขึ้นจากสวรรค์ชั้นพรหมไปสู่สวรรค์ชั้นพระอริยเจา้าตามลำดับ ไปสู่ชั้นของพระโสดาบันชั้นของพระสกิรดาคาอนาคาและชั้นของพอระอรหันต์พอขึ้นถึงชั้นของพอระอรหันต์แล้วทีนี้ก็ได้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างสมบูรณ์ออกจากสังสารวัฏออกจากการมภพรูปภพและอรูปภพได้เพราะการปฏิบัตินี้เป็นการที่จะกําจัด ความโลภความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจที่คอยดึงใจให้กลับมาเวียว่ายตายเกิดนี้ให้หมดไปจะหมดได้ก็ต้องหมดด้วยขั้นที่สูงสุดคือขั้นวิปัสสนาขั้นสมถะนี้ยังไม่สามารถที่จะกําจัดความโลภความอยากต่างๆให้หายไปได้อย่างถาวรทําได้เพียงแต่ให้มันหยุดเป็นพักๆไป แต่มันไม่ตายมันไม่หมดต้องใช้ขั้นวิปัสสนาขั้นธรรมะขั้นแสงสว่างแห่งธรรมคือต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งต่างๆที่ความอยากต้องการว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรมีการเจริญแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาเวลามันเสื่อมก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจตามมา เราก็จะทำให้ต้องกลับไปหามันใหม่ค่อยสูญเสียอะไรไปก็อยากจะได้สิ่งนั้นกลับมาใหม่ก็จะกลับมาเกิดใหม่แล้วก็กลับมาหาสิ่งนั้นใหม่ต่อไปแต่พอเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งที่เราสูญเสียไปนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกข์กันเราก็ต่อไปก็ไม่เอามันดีกว่าเหมือนถ้าเราค่อยติดสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งเราใช้ไปเรื่อยๆ แล้ววันหนึ่งมีคนมาบอกว่าสินค้าชิ้นนี้เป็นอันตรายต่อชีวิตใช้ไปแล้วจะเกิดโรคมะเร็งขึ้นมาพอรู้ปราวว่ามันจะเป็นโรคมะเร็งต่อไปเราก็ไม่เลกไม่ไม่ไปใช้มันแล้วจะได้สิ่งที่เราอยากต่างๆไม่ว่าจะเป็นการมาพบรูปพบหรืออารมูปพบนี้มันก็เป็นทุกข์ทางนั้นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเวลามันเสื่อมมันก็จะทาให้เราทุกข์กัน เมื่อเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ไม่ไปหามันไม่ไ ม, ไม่ไปหากา ม, มาพบไม่ไปหารูประพบไม่ไปหารูประพบตัดความอยากทั้งสามที่พาไปคือการมตัญหาภวตัญหาและวิภาวะตัญหาเท่านั้นเองเวลาเกิดการมตัญหาก็ไม่ตอบสนองเวลาเกิดภาวตัญหาก็ไม่ตอบสนองเวลาเกิดวิภาวะตัญหาก็ไม่ตอบสนองทำใจให้เฉยๆเปน็นอุเบกขาแล้วก็จบกาม กามาทันหาภาวะทันหาวิภาวะทันหาหลังจากที่ไม่ได้รับการตอบสนองมันก็จะหมดกำลังไปเองแล้วมันก็จะหายไปจากใจนี่คือวิธีที่จะทำให้ใจไม่ต้องกลับมาเกิดในตายพบอีกต่อไปแล้วพอไม่กลับมาเกิดในตายพบก็จะไปอยู่ที่พระนิพพาน ท, าทันทีนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ไม่มีไม่มีใครในโลกนี้ที่จะรู้เรื่องราวเหล่านี้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวแล้วพอพระพุทธเจ้ารู้แล้วพระพุทธเจ้าก็มาสอนผู้อื่นให้รู้ตามพอผู้อื่นรู้ตามก็ได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้ามาจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่มีภาษาวกนี้พระพุทธศาสนาในวันนี้ก็อาจจะหายไปแล้วก็ได้ แต่เพราะว่าเรายังมีภาษาวกอยู่ยังมีผู้สนใจที่จะศึกษาปฏิบัติมีผู้ที่จะยิน ด, ดีที่จะเสียสละเวลาในการหาราบยศสรรเสริญสุขมาให้กับการศึกษามาปฏิบัติทำกันเราจึงยังมีพระอริยสงสาวกมาคอยถ่ายทอดพระธรรมคําสอนประเสริฐของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ต่อไปอีกพออีกนานพอสมควร อย่างน้อยก็อีกประมาณสองพันกว่าปีตามที่พระพุทธเจ้าได้พยากรณ์ไว้เพราะต่อไปต่อไปความสนใจก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปคนที่จะมาศึกษามาปฏิบัติมาเป็นพระอริยสงสาวกก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆจนต่อไปมันก็จะไม่มีเหลืออยู่ต่อไปพอไม่มีพระอริยสงสาวกแล้วทีนี้ก็จะไม่มีใครมาสอนมาบอกเราวิธีการ ที่จะทําให้เราได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เข้าถึงพระนิพพานได้อย่างถูกต้องนั่นยังศาสนาก็จะหมดสภาพไปแต่ก็ต้องรอการมาตรัสรูของพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ต่อไปพระพุทธเจ้านี้จะมีมาตรัสรูอยู่เรื่อยๆเพราะว่าจิตใจของคนนี้ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยกันทุกคน แล้วนานๆก็จะมีคนได้มาพบทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ที่แท้จริงสักครั้งหนึ่งคือพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้เองดังนั้นถ้าเราไม่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในรอบนี้เราอาจจะต้องไปรอรอบต่อไปซึ่งไม่รู้อีกกี่แสนล้านปีอีกกี่แสนล้านชาติจนนั้นเราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปแต่ถ้าเรารียบเสียทาเสียแต่บัด น, นี้ เลอกหาราบยศสรเสินสุขกันมาหาธรรมมากกันมาปฏิบัติธรรมกันมาศึกษาธรรมกันดีไม่ดีภายในภพนี้ชาตินี้เราก็จะหลุดได้เราก็จะเข้าถึงพระนิพพานได้เป็นพระอริยสงสารวกขึ้นมาได้ น, นี่คือเรื่องราที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสากหลังเอวเมวอิโตทิน e ังเปตางนังอุปกปติอิชิตังปฏทิตังต um ุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปายันโทปนะราโสยะถามณนิโชติ ราโสยะถาสพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโววินัสตุมัเตภวตวันตารายสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาทนศีลิศะนิจจังวุฒาปะจายโนจตารโธรรมาวทานติอายุวันโอสุขาม ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคาถามใครมีคาถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่จะไม่สะดวกที่จะถามตอบในช่วงหลังจากที่เลิ ก, ลกประชุมกันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะถามอะไรก็ เอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่คระบนมัศการพราราทชัเจ้าค่ะวันนี้ยอดผู้ชมทาง facebook มี317ท่าน y ยูทูบ169ท่านวิทยุออนไลน์7ท่านหน้ากุฏิ92ท่านซูม4ท่านรวมเป็น589ท่านเจ้าค่ะถ้ามีคําถามก็เชิญอ่านได้เลย มีคำถามฝากถามจากหน้ากุฏินะคะอยากสอบถามว่าข้าพเจ้าดูแลบิดาที่ป่วยมาสิบปีวันนี้ท่านมีอาการป่วยหนักขึ้นด้วยความเป็นห่วงท่านคอยห้ามทำห้ามกินจนใจเราเป็นทุกข์มากค่ะพอหนึ่งปีให้หลังข้าพเจ้าปล่อยวางด้วยการเป็นห่วงน้อยลงทาให้เรารู้สึกว่า เราเป็นห่วงเขาน้อยลงและท่องไว้มนุษย์มีเวรและกรรมของตนเองการคิดและการกระทําแบบนี้บาปมากไหมคะหรือมีคําแนะนําวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ไหมคะ อ, อ๋อไม่บาปเหรอเป็นบุญการที่เราไม่ห่วงอ่ะเป็นบุญเพรห่วงแล้วมันทุกข์นะแต่คำว่าไม่ห่วงไม่ได้ไหมายของว่าไม่ดูแลดูแลไปเต็มที่แต่ไม่ห่วงอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไป มาไปตามความเป็นจริงไปแล้วก็ดีสบายทั้งคู่คนคนไปก็สบายคนอยู่ก็สบายไม่ต้องห่วงแต่วนะันก่อนเจอคนเข้าเสียพ่อไปตอนที่ช่วงที่พ่อเขาเสียนี่เขาเศร้าพอเสร็จงานแล้วถามว่าเป็นงไงตอนนี้สบายไหมสบายแล้วไม่มีใครต้องมาห่วงนะความห่วงมันเป็นทุกข์นะงนั้นการไม่ห่วงนี่ไม่ถือว่าเป็นบาปไปอย่างใด ห่วงแล้วมันทุกข์ไปห่วงไปทําไม <Yeah. S 1> แต่ควาว่าคำ ว, ว่าไม่ห่วงนี่ไม่ใช่คำ ว, า, วาไม่ดูแล mm hmm. ดูแลคอยติดตามคอยเฝ้าดูตลอดคอยสนับสนุนคอยช่วยทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่เราจะทําได้อย่างเต็มที่อย่างนี้ไม่เกี่ยวกับ เ, เรื่องของความห่วงแล้วไม่ห่วงต้องเข้าใจบางทีเราไปแปลความหมายว่าถ้าเราไม่ห่วงเขาแล้วเราเร า, เราไม่แยแสอย่างนี้ไม่ใช่เราก็แยแสเราก็ยังคอย ค อ, คอยดูแล้วเป็นที่เต็มกำลังสุดกำลังแต่จะไม่ห่วงคือถ้าจะไปก็ไปถ้าจะอยู่ก็อยู่ถ้าจะหายก็หายไม่หายก็ไม่หายจะทำยังไง ม, ไ ม, มันไม่ได้อยู่ในวิสัยของเราที่จะไปทำอะไรได้นี่ก็เรียกว่าการเจริญโอเบคาคำถามข้อที่สองพ่อแม่ชอบมีปากเสียงกันบ่อยขึ้นต่อหน้าเรา ระบอกให้เขาเลิกการหยุดการต่อเวรต่อกรรมตั้งแต่ตอนนี้เป็นบุตรแบบนี้บาปใหม่เจ้าคะไม่ใช่เรื่องของเราเนะือเรื่องของผู้ใหญ่ก็จะทะเลาะ ก, กันก็ปล่อยเขาทะเลาะ ก, กันไปเขาทะเลาะ ก, กันมานั่งสายก่อนเราเกิดแล้วงั้นพอเรามาเห็นเขาทะเลาะ ก, กันก็ถ้าเขาไม่ขอให้เราไปเป็นกรรมการเราก็อย่าไปเป็นแต่เขาเ ข, า, ขาบอกขอร้องว่าถ้าเกิดเห็นเราทะเลาะ ก, กันลูกเข้ามาห้ามหน่อยนะอ ถ้าเขาบอกไว้ก่อนนี้ก็เข้าไปห้ามได้ถ้าไม่เช่นั้นก็ปล่อยเขาว่าไปเถอะเขาก็ทะเลาะกันไปตามภาษาของเขาเนะ่ะทะเลาะกันยังไงเขาก็อยู่กันมาได้เขาก็รักกันได้ทะเลาะกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็หายแล้วเดี๋ยวก็ลืมคำถามต่อไปปฏิบัติสมาธิมาเกือบสองปี ใช้พุโทโธในการภาวนาไม่ก้าวหน้าเลยมีความคิดฟุ้งซ่านตลอดอยากจะขอคำแนะนำด้วยครับก็พุโทโธน้อยไปสิพุโทโธนี้เป็นเหมือนเบรกอะถ้าแตะเบรกคนเดียวแล้วจะให้รถมันจอดทันทีมันไม่จอดเวลาอยากจะให้รถจอดนี่ต้องเหยียบเบรกไว้เรื่อยๆจนกว่ารถจะหยุดเราถึงจะปล่อยเบรกได้เั้นถ้าเรามานั่งนั่งสมาธิแล้วก็มาพุโทโธตอนที่นั่งอย่างเดียวไม่พอหรอก เราต้องพุทโธแต่ก่อนที่จะมานั่งพุโทโธตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาพอลืมตาก็เริ่มพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดในเรื่องที่ไม่จําเป็นถ้าจําเป็นต้องคิดก็หยุดพุดโทโธไว้ชั่วคราวแล้วพอคิดเสร็จก็กลับมาพุโทโธใหม่อย่าปล่อยให้ไปคิดเรื่องอื่นถ้าใจไม่คิดก็หยุดพุทโธได้พุโทโธมีไว้หยุดความคิดเท่านั้นเองพอใจไม่ไปคิดเรื่องนู้เรื่องนี้ใจสักแต่ว่ารู้ได้ก็ไม่ต้องพุโทโธได้ แต่ถ้าไปคิดพุ่งสร้างไปคิดกังวลไปคิดวิตกห่วงคนนั้นห่วงคนนี้อันนั้นน่ะก็ต้องใช้พุโทโธอยุดก่อนแล้วเวลามานั่งมันจะได้หยุดความคิดเหล่านี้ได้แล้วมันก็จะได้ความสงบอย่างรวดเร็วห้านาทีสิบนาทีจิตก็จะสงบได้คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามขอคำถามว่าดิฉันอยู่วัดหลายปี แต่รู้สึกอยากปฏิบัติธรรมที่บ้านเพราะมีอุปสรรคหลายอย่างอยู่วัดผิดหมายเจ้าค้าถ้าดิฉันปฏิบัติที่บ้านหรืออยู่วัดต่อดีกว่าหรือยังไงดีคะ <c oughs> ขอบพระคุณมากก็ท <g> ี <g> ่ไหนมันปฏิบัติได้ผลดีกว่าก็ที่นั่นที่ไหนมีอุปสรรคน้อยกว่าก็ไปที่ที่มันมีอุปสรรคน้อยกว่าคําว่าวัดหรือบ้านนี้มันเป็นเพียงชื่อของสถานที่เท่านั้นเองแต่การปฏิบัติเราไม่ได้ดูที่ชื่อเราดูที่ ผลที่เกิดจากการปฏิบัติว่าทาที่ไหนเป็นที่สัปปายะคือที่สบายต่อการปฏิบัติที่นั่นแหละก็เป็นที่เหมาะสมที่ไหนเป็นไม่เป็นสัปปายะคือไม่สบายมีปัญหามีเรื่องมีราวมากมายที่นั่นก็ไม่เป็นที่ปฏิบัตินันขอให้ดูว่ามันสัปปายะหรือไม่สบายต่อการปฏิบัติหรือไม่หรือยากต่อการปฏิบัติถ้ายากก็ควรจะเปลี่ยนที่ที่มันง่ายกว่า คำถามฝากถามค่ะหลายเดือนมานี้กระผมสามารถควบคุมความโกรธได้มาสักระยะถึง อ, อุเบกขามาตลอดปล่อยวางมาตลอดแต่พอมาไม่นานพบเจอความโกรธมาอีกทุกรูปแบบจึงหลุดและมีความโกรธที่รุนแรงกระผมจะมีแนวทางควบคุมความโกรธอย่างไรครับขอบคุณครับก็เพราะอุเบกขาต้องหมดไง เราก็ต้องเติมอุเบกขาใหม่ต้องเจริญสติใหม่มันพุโทโธพุธโทโธใหม่มันนั่งสมาธิใหม่แล้วเดี๋ยวพอมีอุเบกขามันก็จะกลับไปสงบได้เป็นอุเบกขาได้เห็นการปฏิบัติมันไม่หยุดหยุดไม่ได้ถ้าหยุดแล้วเดี๋ยวอุเบกขาก็หายไปคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม กราบสอบถามพระอาจารย์ผู้ที่รักษาตั้งแต่สินห้าขึ้นไปจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายได้บุญมากกว่าผู้ที่ไม่มีสินไหมครับคือเรื่องบุญอุทิศี้ทางศาสนานี้ท่านสอนให้อุทิศด้วยการทำทานไม่ได้สอนให้อุทิศด้วยการรักษาศิลหรือการปฏิบัติธรรมเนั้นเราก็ไม่กล้าที่จะตอบคาถามนี้ได้ว่า บุทิศได้หรือไม่เพราะหนึ่งบุญที่เกิดจากการรักษาศีนี้มันยังไม่สมบูรณ์นะเพราะเราไม่ได้บริสุทธิ์ตลอดเวลาเดี๋ยวป็นเวลาเราก็โกหกบ้างเพลอบ้างหรือไปหยิบของคนอื่นเข้ามาบ้างเ mm. นั้นถึงแม้ว่าจะเป็นบุญที่สูงกว่าแต่มันเป็นบุญที่ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เหมือนกับว่ายังถ้าเป็นอาหารก็ยังอาหารยังทําไม่เสร็จน อาหารที่ทําไม่เสร็จมากินมันก็ไม่มันก็ไม่อร่อยกินไม่ได้แต่ถ้ากินอาหารที่มันถูกแต่มันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เป็นอาหารที่กินแล้วได้ไดประโยชน์ทันทีเช่นการทําทานนี่พอเราทำปุ๊บนี่บุญเกิดขึ้นทันทีเลยว่าเราได้เสียสละได้บริจากแบ่งปันไปแล้วบุญอันนี้เราสามารถอุทิศได้ทันที แต่บุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการภาวนานี้มันยังไม่เกิดมันอยู่ในขั้นอยู่ในงอยู่ในครัวอยู่เพราะครัวกำลังปรุงแต่งอยู่อย่างเราหุงข้าวอยู่เนี่ยข้าวยังไม่สุกแต่ถ้าไปซื้ออาหารสำเร็จรูปเนี่ยปลากระป๋องหรืออะไรนี่มันเสร็จแล้วพอเปิดกระป๋องมาก็กินได้เลยอันนี้ถึงพระพุทธเจ้าถึงสอนให้ทาบุญอุทิศด้วยการทาทาน เพราะว่ามันง่ายมันเร็วมันสะดวกแล้วทุกคนสามารถทําได้แต่ถ้าจะบอกให้อุทิศบุญด้วยการรักษาศีลนี่มีกี่คนรักษาศีลกันได้บ่อยสุดแล้วยิ่งภาวนานี่ใครนั่งสมาธิเข้าฌานกันได้บ้าน้อยมากอางนั้นท่านจึงไม่นิยมที่จะให้คนถ้าอยากจะอุทิศบุญให้ไปบอยจากเงินดีกว่าทำทานทําบุญทําทานแบบใดแบบหนึ่งก็ได้ เราจะได้บุญถึงแม้ว่ามันจะจะน้อยกว่าศีลจะน้อยกว่าสมาธิแต่มันสําเร็จแล้วกินได้แล้วแต่ศีล น, นี่ยังกินไม่ได้สมาธิยังกินไม่ได้เพราะยังไม่สําเร็จคําถามต่อไปเรียนถามพระอาจารย์ตอนที่เรานั่งสมาธิมีความรู้สึกมีความสุขมากๆเย็นเย็นแต่ไม่นานครับแสดงว่าจิตเราเริ่มนิ่งไหมครับ ก็สงบได้ไม่มากไงก็ชั่วคราวเพราะกำลังของสติเรายังมีน้อยการปฏิบัติของเรายังน้อยอยู่ถ้าอยากจะให้มันสงบนานก็ต้องปฏิบัติมากขึ้น ป, ปฏิบัติตลอดเวลาเลยได้ยิ่งดีคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ ลูกชายแปดขวบถามว่าตกนรกทั้งเป็นคืออะไรหนูอธิบายโดยยกตัวอย่างว่าเวลาลูกชายโกรธโมโ oh หใจร้อนไม่มีความสุขก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นคนขโมยก็มีใจร้อนคอยแต่จะคิดที่จะขโมยและคอยกังวลว่ามีคนจับได้ก็ใจร้อนก็ทุกข์ เหมือนตกนรกทั้งเป็นลูกชายถามว่านารกมีไว้ทำอะไรหนูจึงอธิบายว่ามีไว้สำหรับทำโทษคนที่ทําผิดศีลทำไม่ดีหลังจากนั้นอีกสามวันลูกชายถามว่านารกขุมที่แดกับนรกเอเวจีเหมือนกันหรือไม่นรกมีกี่ขุมและกระทะทองแดงไว้ทําโทษคนที่ทําผิดอะไรไว้หนูตอบลูกไม่ได้เจ้าค่ะขอความเมตตาจากหลวงพ่อช่วยหาทางให้ลูกตอบลูกชายให้ทีเจ้าค่ะ อ๋อก็บอกเขาว่ากระทะทองแดงนี้เป็นตัวอย่างท่านเองตัวอย่างของความทุกข์เนี่ยทุกมากทุกน้อยมันก็จะเหมือนกับเกิดจากความร้อนของกระทะทองแดงชนิดต่างๆกันนั้นนาลกจริงๆนี้ก็คือความทุกข์ใจบอกเขาานั่นเองทุกมากก็เป็นอเวจีทุกน้อยก็ไม่ใช่เป็นอเวจีความทุกข์มีหลายระดับ ระดับน้อยระดับกลางระดับหนักมีคําถามจากอินบ็อกซ์นะคะกราบเรียนถามราจารย์เมื่อก่อนดูแลพ่อแม่ ให้เดือนใช้ซื้ออาหารให้กินอิ่มต่อมามีเหตุให้พ่อแม่ต้องไปช่วยเหลือน้องชายส่งเสริมให้เกิดการทำผิดศีลธรรมครอบครัวแตกแยกทั้งตัวน้องชายเองและแตกแยกระหว่างน้องชายและระหว่างพ่อแม่และข้าพเจ้าเหตุนี้ทำให้เลือกห่างจากครอบครัวเพราะไม่อยากคิดแล้วว่าร้ายพ่อแม่แต่การห่างทำให้รู้สึกว่าทำความกตันอยู่น้อยลงค่ะ แล้วยังไงลนะ่ะก็กลับไปทำให้มากขึ้นสิควรจะเลือกความกตัญญูอย่าไปแยะเลือกความแตกแยกเพื่อผลประโยชน์อะไรบางอย่างต้องคิดถึงความกตัญญูเป็นธรรมที่สาคัญกว่าหมดแล้วเลยหมดแล้วเจ้าค่ะอเอาแล้วนะถ้าหมดแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขอให้ท่านจงเอาเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุ